อันนี้คือความพิเศษของสังขารุเปกขายานว่าสังขารุเปกขายานนี้ไม่ธรรมดาเป็นตัวชี้ให้อริยมรรตต่างๆเนี่ยชี้ให้อริยมรรตต่างๆเกิดขึ้นไม่เหมือนกันทีนี้มาขึ้นมรรควิถีเลยนะมรรควิถีอนุโลมายานี้อยู่ในมรรควิถีละอันซ่องเสพเจริญอยู่ทำให้มากอยู่ซึ่งสังขารุเปกขายานนั้นอธิโมกคือศรัทธาย่อมบังเกิดขึ้น เป็นธรรมชาติที่มีกําลังอันนี้ อ, อธิมโมกษาทธาก็หมายถึงเน้นอะไรสัตพินทรีย์มีกําลังเลยนะเพราะว่าถ้าไม่อินทรีย์ไม่มีกําลังไม่มีอินทรีย์ไม่มีพละนะคนไม่มีเรียวมีแรงเนี่ยเดินทางถึงที่หมายไหมไม่ถึงฉันใดผู้ที่ขาดอินรีย์ขาดพละก็บรรลุไม่ได้ตรงนี้ก็เลยยกอินทรีย์ยกพละมาให้ดูเพราะว่าคนที่มีอธิมโมก ค, คือดิ่งดิ่งน้อมใจเชื่ออธิมโมก ค, คือศรัทธาก็เลยมีกําลังยิ่ง วิริยะก็ประคองไว้ด้วยดีสติก็เป็นอันเข้าไปตั้งไว้ด้วยดีจิตก็เป็นอันตั้งมั่นดีสังขารุปเปกขายานคือปัญญทรียย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมชาตกล้าแข็งอย่างยิ่งศรัทธาวิริยะสติสมาธิเนี่ยนะเป็นสมถะปัญญานี้เป็นวิปัสสนาสมถาวิปัสสนาตัวนี้มีกําลังมากมีเรี่ยวแรงมีพลังเมื่อพระโยคีนั้นคนํานึงอยู่ว่ามักจะเกิดขึ้นในบัดนี้ละดังนี้ สังขารุปเปกขาก็พิจารณาสังขารทั้งหลายว่าไม่เที่ยงว่าเป็นทุกข์หรือว่าเป็นอนัตตาแล้วก็ยังลงสู่ภวังก็ก่อนที่จะบรรลุ ก, ก็ต้องสังขารุปเปกขาญาณเกิดขึ้นก่อนใช่ไหมยังลงสู่ผวังทีนี้มรรควิถีก็เกิดขึ้นมรรควิถีเริ่มที่ไหนมนโนทวาราวัชนะมนโนทวาราชนะก็เกิดขึ้นในลําดับแผงภวังกระทําสังขารทั้งหลายให้เป็นอารมณ์โดยอาการว่าไม่เที่ยงบ้าง ว่าเป็นทุกข์บ้างว่าเป็นอน it, ัตตาบ้างตามนัยยะที่สังขารุเปกขายานทำเอาไว้นั่นเองคือหมายความว่าถ้าสังขารุเปกขายานเป็นพิจารณาอนิจจังมโนทวาราวัชนะก็พิจารณาอนิจจังตามถ้าสังขารุเปกขาานพิจารณาทุกขังมโนทวารวัชนะก็พิจารณาทุกขังตามถ้าสังขารุเปกขาานพิจารณาอนัตตามโนทวารวัชนะในมรรควิถีก็พิจารณาอนัตตาตามเหมือนกัน ต่อจากนั้นชาวนะจิตที่หนึ่งย่อมบังเกิดขึ้นในลําดับแห่งกิริยาจิตที่เกิดขึ้นแล้วก็หยุดยัง้งพวางเอาไว้สืบต่อสัมปติอันไม่มีระหว่างทำสังขารทั้งหลายให้เป็นอารมณ์โดยประการนั้นนั่นแหละคือหมายคขาว่าถ้ามโนทวาราวชนะพิจารณาอนิจจ์นะชาวนะก็อนิจจงตามไปด้วยถ้ามโนทวาราวชนะพิจารณาทุกขังชาวนะดวงที่หนึ่งก็พิจารณาทุกขังไปด้วยถ้ามโนทวาราวชนะพิจารณาณตา ชาวนะดวงที่หนึ่งก็พิจารณาหน้าตาไปด้วยปัญชาวนะดวงที่หนึ่งเรียกว่าบริกรรมในลำดับแห่งชาวนะจิตที่หนึ่งนั้นคือดวงที่สองถัดมาชาวนะที่สองเกิดขึ้นทําสังขารทั้งหลายให uh ้เป <Fine. S 1> ็นอารมณ์โดยประการนั้นเหมือนกันซึ่งเป็นชาวนะจิตที่เรียกว่าอุปจาระอุปจาระแม้ในลำดับแห่งชาวนะจิตดวงที่สองก็เกิดชาวนะดวงที่สามเกิดขึ้นดวงที่สามทำสังขารให้เป็นอารมณ์ โดยประการนั้นเหมือนกันซึ่งเป็นชาวนาจิตที่เรียกว่าอนุโลมชาวนาสามดวงชาวนามีสามดวงนะตรงนี้ก่อนดวงที่1อุบบริกรรมดวงที่สองอุปจาระดวงที่สามอนุโลมชื่อว่าเฉพาะแต่ละขณะแห่งชาวนาจิตเหล่านั้นแต่ว่าโดยไม่แปลกกันชาวนะจิตทั้ง3าอย่างนี้จะเรียกว่าอาเสวนะก็ได้จะเรียกว่าอุบบริกกรรมก็ได้จะเรียกอุปจาระก็ได้จะเรียกอนุโลมก็ได้ได้หลายชื่อด้วยกัน แต่ที่น่าสนใจเป็นพิเศษจะเรียกอนุโลมเนี่ยมันอนุโลมต่ออะไรอนุโลมเนี่ยแปล Whereas, ว่าโอนตามเรียกว่าคล้อยตามใช่ไหมอนุโลมเนี่ยถ้าพูดแบบแปลแบบไทยๆเราก็เรียกว่าคล้อยตามถามว่าคล้อยตามอะไรตอบว่าอนุโลมต่อส่วนแห่งธรรมทั้งหลายทั้งตอนต้นและตอ น, ตอนหลังอนุโลมต่อธรรมทั้งหลายในตอนต้นอนุโลมต่อธรรมทั้งหลายในตอ น, ตอนหลังต้นไหนหลั ง, หหลงไหนตอบง่ายๆว่า อนุโลมนั้นอนุโลมต่อวิปัสนาแปดข้างต้นแปดข้างต้นมีอะไรบ้างห น, นึ่งสัมมาสนญาณสองอุทยพยาญาณสามพังคยานสี่พยตุประธา น, าานัญาณห้าพยตุอาธีนวายานหกนิพิธายานเจ็ดมุญจิตุกรรมมยตาญาณแปดปฏิสังขานญาณเ น, นี่ยนะแล้วก็ สังขารุเปกขายานด้วยเพราะความที่มีกิจอย่างนั้นเพราะอนุโลมมายานเนี่ยนะก็จริงๆก็อยู่ในท้ายๆของสังขารุเปกขายานจึงอยู่อนุโลมมายานนั้นเพราะเป็นไปปรารบสังขารทั้งหลายโดยเกี่ยวกับไตรลักษณ์เมียนิจลักษณะเป็นต้นจึงชื่อว่าอนุโลมต่อยานแปดเหล่านี้เพราะความที่มีกิจอย่างนั้นดุดบอกกล่าวโดยความว่าอ๋อขออภัยนะเมื่อกี้ไม่ใช่นับตั้งแต่ สัมมาสนาญาณ น, นะนับที่อุทยพ ย, ายาัญญาอุทยพยญญ า, ยา น, นับหนึ่งว่าอุทยพยัญญ า, ยาเห็นความเกิดและความเสื่อมไปแห่งธรรมทั้งหลายที่มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแล้วหนอพังคานุปัสนาญาณก็เห็นแต่ความแตกดับแห่งธรรมทั้งหลายที่แตกดับแล้วหนอะสามพยตุประทานญาณมีแต่สิ่งที่มีภัยนั่นเทียวอันปรากฏแล้วว่าเป็นภัยหนอ ในสิ่งที่มีแต่โทษนั่นเทียวว่าเป็นอาทีนวานุปัสนาญาณก็ได้เห็นโทษแล้วหนอว่าห้านะในสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายนิพพิทายานก็ได้เบื่อหน่ายแล้วหนอว่าเป็นสิ่งที่มีอันจะต้องพ้นนั่นเทียวมุนจิตุกรรมมยตายานมีอันเกิดความไข่จะพ้นแล้วหนอว่าสิ่งที่ควรพิจารณานั่นเทียวเป็นอันปฏิสังขารนายนี่พิจารณาแล้วหนอและว่าสิ่งที่ควรจะวางเฉยได้วางเฉย อันสังขารุเปกขายานได้วางเฉยแล้วหนาอันนี้เรียกว่าอนุโลมต่อวิปัสสนาญาณ8ดคือหนึ่งอุทยพยายานสองพังคานุปัสสนาญาณสามพญตูปฐานญาณสี่อาทีนวานุปัสสนาญาณหนิพถาญาณหกมุลจิตุกรรมมัตายานเจปฏิสังขานญาณ8ดสังขารุเปกขายานอันนี้เรียกว่าอนุโลมต่อวิปัสสนาญาณ8ดข้างต้น อย่างขณะเดียวกันก็ยังอนุโลมต่อโพธิปักขยธรรมสาสิบเจ็เบื้องบนอีกเพราะว่าขณะอริยมรรเกิดขึ้นเนี่ยโพธิปัจขยธรรมสาิบเจ็ต้องประชุมกันพันอนุโลมมายาเนี่ยต้องอนุโลมต่อโพธิปักขยธรรมสาสิบเจ็ดเพราะโพธิปัจขยธรรมพระโยคีเพืงบรรลุด้วยข้อปฏิบัตินั้นอุปมาเปรียบเหมือนว่าพระราชาผู้ทรงธรรมประทับณสถานที่วินิจฉัย ทรงสดับข้อวินิจฉัยของมหาอมาตย์ผู้ถแถลงคดีทั้งแปดแล้ว ก, ล ก, ก็ทรงละการละขอไปก็ทรงละการถึงความลำเอียงคือเลิกลำเอียงนะทรงเป็นกลางเห็นคล้อยตามอยู่ว่าจงเป็นอย่างที่วินิจฉัยมานี้เธอดังนี้ชื่อว่าทรงอนุโลมต่อข้อวินิจฉัยของมหาอมาตย์เหล่านั้นด้วยคืออมาตย์เหมือนวิปัสสนาญาณแปดเหมือนกับอมาตย์8ดท่านนะ เชื่อว่าทรงอนุโลมต่อราชโบราณธรรมคือโพธิปัจขยธรรมนั้นด้วยฉันใดก็เพืงทราบข้ออุปมาันนี้ฉั น, นั้นคืออนุโลมมายานเป็นดุจพระราชายานแปดเป็นดุจมหาอามาตผู้ถแถลงคดีทั้งแปดท่านโพธิปัจขยธรม ร, ธ ร, ยธรมสามสิบเจ็ดเป็นดุจ ร, ราชธรรมโบราณในอุปมานั้นพระราชาเมื่อรับสั่งว่าจงเป็นอย่างที่วินิจฉัยนี้เถิด ชื่อว่าทรงอนุโลมต่อข้อวินิจฉัยของมหาอมาตผู้ถแถลงคดีด้วยชื่อว่าทรงอนุโลมต่อราชธรรมด้วยฉันใดอนุโลมมายานี้เกิดขึ้นปราบรบสังขารทั้งหลายโดยเกี่ยวกับไตรลักษณ์มีอนิจจะลักษณะเป็นต้นก็เชื่อว่าอนุโลมต่อยานแปดเพราะความที่มีกิจเป็นอย่างนั้นด้วย น, นะเชื่อว่าอนุโลมต่อโพธิปัจขยธรรมามสิเจ็ดในเบื้องบนด้วย เพราะเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าสัจจานุโลมมิจยานเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าสัจจานุโลมมิจยานคื อ, อยานที่อนุโลมต่อการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะอริยสัจนั่นเองอนี้นนนนนวุฐานคามินีวิปัสนาว่าก็ในอนุโลมมียา น, นี้เป็นที่สุดแห่งวุฒานาคามินีวิปัสนาสุดยอดของวิปัสนาแล้วละ่ะเพราะว่า วุฒานคามินีวิปัสนายังมีสังขารเป็นอารมณ์นะยังมีสังขารว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอารมณ์แต่ว่าโคตรภูญานเป็นที่สุดแห่งวุฒานคามินีวิปัสนาโดยประการทั้งสิ้นทั้งปวงบบบนี้เพื่อความไม่หลงในวุฒานคามินีวิปัสนานั้นจึงควรทราบความเปรียบเทียบกับทัศนูดังต่อไปนี้ วุฒานาคามินีวิปัสนาที่ยังมีสังขารเป็นอารมณ์เนี่ยนะในพระไตรปิฎกมีชื่อหลายอย่างด้วยกันนะในพระไตรปิฎกท่านก็ยกตัวอย่างเช่นวุฒานาคามินีวิปัสนาในสลายตนาวิพังคสูตรสลายตนาวิพังคสูตรพระองค์ตรัสเรียกวุฒานาคามินีวิปัสนาว่าอะตมมยตาแปลว่าภาวะที่เป็นปฏิปัติต่อตันหาอย่างนี้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพวกเธอจงอาศัยอะตมมยตา อิงอะตมมยตาละเสียแล้วก้าล่วงเสียซึ่งอุเบกขาอันเป็นเอกัตตาสภาวะเป็นอันเดียวอันเป็นเอกัตสิตาอาศัยอารมณ์เดียวเสียอันนี้ถ้าเนื้อหาของของสูตรนี่เนี่ยนะก็มีอยู่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เจริญอรูปฌานเพื่อละรูปฌานเสร็จแล้วพระองค์ก็สอนให้เจริญวุฒานคามินีวิปัสนาที่เรียกว่าอะตมมยตานี้ให้ละอรูปฌานซะ ให้ละอรูปฌานด้วยวิปั ส, สนาที่เป็นวุทธานคามินีวิปัสสนาเสียนะโอ้ให้เจริญไปตั้งสูงเลยเรื่องสอนให้ละอีกนะส่วนใน阿拉คัททู ป, ปมาสูตรพระองค์ตรัสเรียกว่า น, นิพิทาอย่างนี้ว่าเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพน้นอันนี้สูตรนี่มีเยอะมากเลยนะในพระไตรปิฎกนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมอนัตตาลักษณะสูตรอธิตาปริ ย, ยสูตรเป็นต้นเนี่ยเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดและเบื่อนายตัวนั้นเป็นชื่อของ วุฒานคามินีวิปัสนาส่วนในสุสีมะสูตรพระองค์ตรัสเรียกว่าธรรมะทิติยานวุฒานคามินีวิปัสนาเนี่ยเรียกว่าธรรมะทิติยานที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนสุสีมะธรรมะทิติยานย่อมเกิดก่อนแลภายหลังจึงเกิดนิพานานนพานญาณนิพพานญาณนี้เป็นชื่อของมรรคญาณธรรมะทิติยานเรียกว่าเป็นชื่อของวุฒานคามินีวิปัสนาญาณ ฮัซุซิมะท่านบอกไม่เข้าใจพระเจ้าข่าบอกเธอจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเนี่ยธรรมทิฏฐิยานก็ต้องเกิดก่อนนิพพานายานยานที่มีนิพพานเป็นอารมณ์คือมรรคยานเนี่ยนะจะต้องเกิดหลังจากธรรมทิฏฐิยานคือวุฒานคามินีวิปัสนาส่วนในโปโธปาทสูตรพระองค์เรียกวุทฒานคามินีวิปัสนาว่าสัญญาคะแปลว่ายอดของสัญญาสัญญาบวกอักขะเนี่ยเรียกว่าเลิศ สุดยอดของสัญญาแล้วแปลว่าเป็นสัญญาที่ประเสริฐที่สุดคือสัญญาในวุฒานคามินีวิปัสสนาว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเอาเข้าไปดูก่อนโปธปาทะสัญญาแลเกิดขึ้นก่อนยานย่อมเกิดขึ้นในภายหลังพระองค์นี้ไม่ได้แข่งขัดว่าจะต้องปัญญาเท่านั้นนะบางทีก็ใช้คําว่าสัญญาใช่ไหมสัญญาในวุฒานคามินีเนี่ยเป็นสัญญาที่จะนําออกนี่เกิดก่อนยานคือมัคคยาเนี่จึงเกิดขึ้นในภายหลัง ส่วนถ้าสุตระสูตรที่ภาษาบุตรเอามาแสดงบอกว่าปาริสุดที่ปทานิยังคะปาริสุดที่ปทานิยังคะนี่แปลว่าองค์แห่งความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์อย่างนี้ว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิอันเป็นปาริสุทธ่ปทานิยังคะตัวนี้ก็คือปฏิปทายานทัศนวิสุทธิอันนั่นเองวุทานคามินีวิปัสนาก็คือปฏิปทายานทัศนวิสุทธิที่เป็นองค์แห่งการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความ บริสุทธิ์ถ้าไม่มีองค์อันนี้แล้วการปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์จักมีได้อย่างไรถ้าไม่มีการปฏิบัติอย่างนี้แล้วอริยมรรคจักเกิดได้อย่างไรส่วนในปฏิสัมพิธามรรคมีสามชื่อสามชื่ออะไรบ้างมูลจิตุกรร ม, มยตายานอันใดก็ดีปฏิสังขานุปัสสนาญาณอันใดก็ดีสังขารูเปกขาญาณอันใดก็ดีธรรมะเหล่านี้มีสภาวะเป็นอันเดียวกันต่างกันแต่เฉพาะพยัญชนะเท่านั้น เพราะฉะนั้นในปฏิสัมพิธามัคมุุุุุาน า, าุนนาุุุุุุุุุุุุุุุาุุุุุุนคุุุุุุุุุุุุุานปุุุุุุปุุุุุุุุุุุุุุุุุุุนะุุุุาุุุุอคุุุออ น, น, น, จจ น, นุุุุออุุุุปุุุัุุุุุุุรุุุุุนุนุุุุุรุุรมมุุุุุุุุุุุุุุนุุุุุุาุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุเรุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุสูตรคือเรียกตามอุิธรรม เพราะว่าอภิธรรมเนี่ยบอกว่าอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูในที่หนึ่งในที่สองอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานเพรามันอนุโลมมายา น, นี่เราเรียกตามคัมภีร์ในอภิธรรมส่วนในรัฐวิณีตสูตรวุทฒานคามินีปฏิปทามีชื่อว่าปฏิปทาญานทัศนวิสุทธิที่ที่เรากําลังเรียนอยู่นะปฏิปทายานทัศนวิสุทธิอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุคือผ้าอะไร พระสารีบทถามพระมาอะไรนะยพระปุณณมันตานีบทว่าท่านผู้มีอายุท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อปฏิปทายานทัศนวิสุทธิ์ดังนี้หรือบอกไม่ใช่อย่างนั้นหานี่อันนี้นายรัฐวิณีตะสูตรสรุปว่าวุฒธธาราคามินีวิปัสสนาในพระไตรปิฎกเนี่ยนะมีชื่อตรงนี้ท่านยกมาให้ดูแค่ 8, 8แปดแปดแห่งยกมาให้ดูแปดแห่ง ชื่อเหล่านั้นก็หนึ่งอัตมมัตาสองนิพิธาสามธรรมธิติยาน 4. สี่สัญญาอักขะเนี่ยนะก็คือสัญญาคะห้า 5. ปาริสุทธิประธานนิยังคะหกมุญจิตุกรรมมัจาปฏิสังขาและสังขารุปเปกขาเจ็ดอนุโลมยานแปดปฏิปทาญานทัศนวิสุทธินั่นเอง วุธานาคามินีวิปัสนาที่สงบบริสุทธิ์ที่พระมหิสีเจ้าคือผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ทรงยกย่องไว้โดยชื่อหลายชื่อใดภิกษุผู้มีชาติเป็นบัณฑิตผู้ใครจะออกจากเปลือกตมคือสังสารทุกข์ซึ่งเป็นภัยใหญ่พึงทำการประกอบเนืองใ น, ว, านาาวุธานาคามินีวิปัสสนานั้นเถิดแล อันนั้นก็ให้ตั้งใจนะถ้าเห็นภัยในวัฏฏะจริงก็ต้องเจริญตามนี้เพราะการเจริญการปฏิบัติตามนี้นี่แหละจะทําให้ถึงความพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นวิสุทธิข้อที่หกก็จบไปด้วยดีต่อไปก็มาขึ้นวิสุทธิสุดท้ายเลยนะวิสุทธิสุดท้ายในวิสุทธิเจตการก็คื อ, อยานทะัศนวิสุทธินิเทศกล่าวถึงความบริสุทธิ์ของความรู้ความเห็น ในมาขึ้นข้อความเหล่านี้เนี่ยนะธอว่ายังอยู่ในมรรคขวิธีคือในวิธีว่าด้วยการเกิดขึ้นของอริยมรรคยานถัดต่อจากอนุโลมยาณถ้าเราเรียงลำดับได้ก็จะดีนะคือในมรรคขวิธีเนี่ยประกอบไปด้วยหนึ่งมโนทวาราวัชนะสองบริกรรมสามอุปจาระสี่อนุ 5. โลมห้าโคตรภูหกมรรคเจ็ดแปดเนี่ยผล คือถ้านับมโนทวาราวัชนะเป็นหนึ่งเนี่ยนะถัดต่อจากอนุโลมยานนี้ไปโคตรภูยานโคตรภูญานนั้นย่อมไม่สมทบเข้ากับปฏิปทายานัศสนวิสุทธิไม่สมทบคือไม่รวมเข้ากับญาทัศสนวิสุทธิเพราะเป็นยานตั้งอยู่ในฐานะแห่งอาวัชนะของมรจึงเป็นอโภโหหริกายานอโภโหหริกแปลว่ามีก็เหมือนไม่มีนะ อยู่ในระหว่างวิสุทธิทั้งสองอย่างนั่นเองแต่เพราะตกไปในกระแสะแห่งวิปั ส, สนาจึงถึงซึ่งความนับว่าเป็นวิปั ส, สนาส่วนในยาณในมรรคสีก่ก็มีมรรคสี่มีหนึ่งโสดาปติมรรคสองสกทาคามิมรรคสามนาคามิมรรคสอรหัตตมรรคอริยมรรคทั้งสเรียกว่าญาณทัศนวิสุทธิในยานทั้ง4นั้นชื่อว่ากิจอะไรอะไรอื่นที่พระโยคาวจรผู้ใไข่จะทำมรรคยามที่หนึ่ง ให้ถึงพร้อมก่อนเพื่กระทาหามีไม่เพราะว่ากิจอันใดเป็นกิจที่เธอเพึงทำกิจนั้นเธอผู้ทำวิปัสนาอันมีอนุโลมยานเป็นที่สุดให้เกิดขึ้นได้ทำแล้วทีเดียวนะนันหลังจากนี้ไปก็ถือว่าเป็นผลของการปฏิบัตินนะแทบไม่ต้องไปเร่งไปบีบไปคั้นไปเร่งรัดอะไรอีกแล้วก็เมื่อความมืดห ย, ย, ยาบๆที่ปิดบงังสัจจะถูกอนุโลมายานทั้งสาม เหล่านั้นกระทําให้อันตรธานไปตามสมควรแก่กําลังของตนจิตของพระโยคาวจรนั้นผู้เกิดอนุโลมยานแล้วอย่างนี้ก็ย่อมไม่เล่นไปไม่หยุดอยู่ไม่น้อมไปไม่ติดไม่คล้องไม่ผูกพันอยู่ในสังขารทั้งปวงย่อมถอยกลับย่อมหมุนกลับย่อมเวียนกลับดุดน้ํากลิ้งกลับจากใบบัวฉะนั้นแสดงว่าถดใจนี่ถอยยอมแพ้สังขารแล้วใช่ไหม แพ้แล้วไม่ไหวแล้วเ ล, ล, เลิกสู้แล้วจากดีกว่านะกลิ้งกลับดีกว่ากลิ้งกลับจากสังขารทั้งอารมณ์คือนิมิตทั้งปวงทั้งอารมณ์คือปวัตตะทั้งปวงย่อมไม่ปรากฏเป็นเครื่องกังวลไม่กังวลในสังขารทุกชนิดไม่กังวลในภพใหม่ทุกอย่างไม่กังวลในกิเลสตัณหาอาสวะสมุทัยอะไรเลยลําดับนั้นเมื่ออารมณ์คือนิมิตและปะวัตตะทั้งปวงย่อมปรากฏโดยค ว, ความเป็นเครื่องกังวล โคตรภูก็ย่อมเกิดขึ้นแก่พระโยคาวจร น, นั้นในที่สุดแห่งอาเสวณะของอนุโลมายานผลของอาเสวณะปัจจัยเนี่ยนะบอกว่ า, วาอนุโลมเป็นอาเสวณะปัจจัยแก่โคตรภูโคตรภูเป็นอาเสวณะปัจจัยแก่มรรคเพราะฉะนั้นอ น, อนุโลมายานเป็นอาเสวณะปัจจัยแก่โคตรภูโคตรภูกระทําพระนิพพานอันไม่มีปนิมิต ไม่มีประวัติตรปราศจากสังขารเป็นนิโรธคือเป็นนิพพานให้เป็นอารมณ์เก้าล่วงโคตปุุชนความนับว่าเป็นปุุชนภูมิปุุชนผ่านเก้าล่วงไปแล้วนะเก้าลงสู่โคตแห่งพระอริยะนับว่าเป็นอริยะภูมิอริยะเป็นการนึกหน่วงครั้งแรกการคํานึงครั้งแรกการประมวลครั้งแรกในอารมณ์คือพระนิพพานสําเร็จความเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยอาการ6กอย่าง ก็คือโคตรภูนี้เป็นปัจจัยแก่อริยมรรค6ปัจจัยคืออนันตระสมนันตระอาเสวณนะอุปนิสยนณติและวิคตะปัจจัยเป็นยานที่ถึงยอดคือเป็นยอดของวิปัสนาไม่หมุนเวียนกลับมาเกิดขึ้นอีกอ น, นะโคตรภูเกิดครั้งเดียวใช่ไหมในวัตตะอันยืดยาวเนี่ยโคตรภูเกิดครั้งเดียวเพราะฉะนั้นโคตรภูเกิดขึ้นแล้วก็เลิกและพอคือทําหน้าที่นึกหน่วงเห็นนิพานก็พอและหมดภารกิจของโคตรภู ดังที่ท่านภาษาริบทเทระกล่าวไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมพิธาว่าปัญญาในการวนเวียนคือการออกจากสังขารภายนอกชื่อว่าโคตรภูยานี่เป็นอย่างไรยานชื่อว่าโคตรพูเพราะอัตถาว่าครอบงาเสียซึ่งอุปาทะครอบงาเสียซึ่งปวัตตะนิมิตะอายุหนะเป็นต้นเนี่ยนะจนถึงครอบงาซึ่งปวัตตะโคตรภูยานเนี่ยเพราะอัตถาว่าครอบงาเสียซึ่งขา น, นิมิตภายนอก ช, hey. well, ช, ชื่อว่าโคตรภูยานเพราะเล่นไปสู่อนุปปาทะคือนิพานไม่เกิดนิพานไม่เป็นไปอนุปปาทะอัปปวัตตาอนิมิตตอนายูหณะเป็นต้นตลอดจนถึงเล่นไปสู่อนุปายาสะเล่นไปสู่นิโรธเล่นไปสู่พระนิพานชื่อว่าโคตรภูเพราะอัตถาว่าครอบงำเสียซึ่งอุปาทะแล้วเล่นไปสู่อนุปปาทะเล่นออกจากปวัตตไปสู่อัปปวัตตเล่นออกจากคติสู อคติเล่นออกจากอ น, นิมิตสู่อ น, นิมิตเป็นต้นเนี่ยนะก็หลีกจากเลยนะบอกว่าโบกมืออำลาวัตตะสัทีแล้วนะเมื่อไหรเนาะจะถึงวันของเราบ้างโบกมืออำลาวัตะบอกโอ้จะจากรูปสวยๆได้ยังไงเนี่ น, นะกลับมารูปตามเดิมเงี้ยว่าของไม่แล้วเนาะ <c oughs> ถ้ารูปเที่ยงก็ควรแล้วที่จะอาไลอาวรนในรูปแต่นี้เมื่อรูปไม่เที่ยงจะเฝ้ารูปไปทําไมเนี่ยนะ ในการทำกิจแห่งอนุโลมยานและโคตรภูยานนั้นต่อไปนี้เป็นเครื่องอุปมาที่แสดงอาการเป็นไปแห่งอารมณ์ต่างๆกันแห่งอนุโลมยานและโคตรภูยานแม้ที่เป็นไปด้วยอาวัชชะเดียวกันในวิถีเดียวกันเปรียบเหมือนว่าบุรุษผู้ไข่จะกระโดดข้ามร่องน้ำใหญ่ไปยืนอยู่ที่ฝั่งนอกย่อมวิ่งไปโดยเร็วคว้าเชือกที่เขาผูกห้อยไว้กับกิ่งไม้ที่ฝั่งในแห่งร่องน้ำใหญ่ หรือไม้ค้ำแล้วก็โหนขึ้นมีกายน้อมไปโน้มไปเ ง, งื่อมไปยังฝั่งนอกถึงตอนบนของฝั่งนอกแล้วก็ปล่อยเชือกหรือไม้ค้ำนั้นเสียไปตกลงที่ฝั่งนอกโงนเงินไปอยู่นิดหน่อยจึงค่อยๆยืนนิ่งอยู่ฉันใดนายอุปมาอย่างกาาระทาศามเนี่ยนะกรทาสามกระโดดจากข้ามฝั่งนี้ไปฝั่งโ น, น้นเลยเคยเล่นเล่นกระโดดไหยข้ามลักษณะนั้นน่ะ แม้พระโยคาวาจรผู้ไข่จะตั้งมั่นในพระนิพานอันเป็นฝั่งนอกแห่งภพคือนอกจากภพนอกนอกจากภพสามนอกจากกัมเนศสีนอกจากคติห้านอกจากวิญญาณที่ฐเจ็นอกจากสัตววาดเก้าก็ฉันนั้นเหมือนกันเล่นไปโดยเร็วโดยอุททยพ ย, พยานุปัสนาญานเป็นต้นคว้าเอาเชือกคือรูปขันที่ผูกห้อยไว้กับกิ่งไม้คืออัตภาพ หรือด้วยท่อนไม้คือเวทนาขันเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยอาวัชนะแห่งอนุโลมว่าไม่เที่ยงบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอนัตตาบ้างยังไม่ปล่อยอารมณ์นั้นเลยก็กระโดดขึ้นด้วยอนุโลมมจิตขณะที่หนึ่งเป็นผู้มีใจน้อมไปโอนไปเงื่อมไปในพระนิพพานด้วยอนุโลมมจิต ด, ดวงที่สองโดดบุรุษผู้มีกายน้อมไปเงื่อมไปเอ็นไปยังฝั่งนอกฉะนั้น เป็นผู้อยู่ใกล้พระนิพพานที่จะพึงบรรลุเดี่ยวนี้ด้วยอนุโลมมาจิตขณะที่สาดุดบุรุษผู้ถึงตอนบนฝั่งนอกฉะนั้นปล่อยอารมณ์ที่เป็นสังขารนั้นโดยความดับไปแห่งจิตดวงนั้นแล้วก็ตกไปในพระนิพพานอันเป็นฝั่งนอกคือสังขารด้วยโคตรภูจิตแต่ว่ายังไม่มั่นคงดีเพราะไม่ได้อาเสวณปัจจัยในอารมณ์เดียวกัน อันนะั้นคือคือโคตรภูเนี่ยนะยังไม่ได้อาสียวา่าปัจจัยในอารมณ์เดียวกันโดดบุรุษผู้งโงนเงินอยู่ฉะนั้นต่อจากนั้นจึงตั้งมั่นด้วยมักคยานชนิแลอ่เป็นวิถีเดียวเนี่ยนะที่มีความพิเศษเนะียอยากอยากจะกล่าวตรงนี้นิดนึงถ้าไม่เขียนบ้างก็คงสายคุยกันคนละเรื่องอยู่ว่างั้นคุยกันอยู่ตั้งนานนะคุยกันคนละเรื่องเลย พูดถึงการเจริญวิปัสนาทั่วๆไปเนี่ยนะสมมุท tha อย่างวิชวนาจิตเจ็ดขณะเนี่ยนะชาวน า, าทั้งเจ็ดขณะแล้วก็มโนทวาราวัชนะอีกหนึ่งแล้วก็ลงสู่ภวัง อ, อย่างวิปัสนาทั้งหลายเนี่ยนะวิปัสนาเนี่ยก็จากอโรพิจารณาโดยอนิจจังบ้างทุกขังบ้างอนัตตาบ้าง เวลาพิจารณาโดยอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะแล้วก็ลงสู่ภวังพอลงสู่ภวังปั๊บก็ขึ้นวิถีใหม่วิถีใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็ลงสู่ภวังอีกแล้วก็มาจับขึ้นวิถีใหม่แล้วก็ลงสู่ภวังอีกอันนี้คือวิถีจิตทั่วๆไปจะเป็นอย่างนี้สมมติว่าจะจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งต้องผ่านภวังอย่างเช่นจากจากการเห็นไปสู่การได้ยินนี่ต้องผ่านผวัง จากการรู้กลิ่นไปรู้รสเนี่ยต้องผ่านผ่านภวังจากเรื่องหนึ่งไปสู่เรื่องหนึ่งที่จะต้องลงสู่ภวังทุกครั้งแปล ง, ง่ายๆว่าลงบุญเก่าทุกครั้งเลยทีนี้มรรควิถีเนี่ยพิเศษไม่เหมือนอย่างอื่นพอมโนโทวาราวัชนะเกิดขึ้นมนาสิการโดยอนิจจังบ้างทุกขังบ้างอนัตตาบ้างบริกรรมอุปจาระอนุโลมเนี่ยนะ ปจาระอนุโลมสมวิธีนี้ก็ยังมณสิการโดยอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นบริกรรมเป็นอาเสวณะปัจจัยแก่บริกรรมนะั้นเป็นอาเสวณะปัจัยแก่อนุโลมอนุโลมเป็นอาเสวณะปัจจัยแก่อออจจแกขอขอโทษบริกรรมอุปจาระบริกรรมเป็นปัจจัยแก่อุปจาระอุปจาระเป็นปัจจัยแก่อนุโลมโดยอาเสวณะปัจจัย ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของอนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้พออนุโลมนี่เป็นปัจจัยแก่โคตรภูเป็นปัจจัยแก่โคตรภูคือหนึ่งอะไรมีหปัจจัยใช่ไ้ยเมืม่อกี้มีอะไรบ้างอะไรบ้างพี่ต่อให้บอกหนึ่งอนันตระสองสมานันตระสามอาเสวณนะสี่อนันตรูปนิสยะเนี่ยนะ อนันตรูปนิสยะและก็นัพถิปัจจัยวิคตะปัจจัยได้ได้หกปัจจัยทีนี้จริงอยู่ว่าไอ์อนุโลมเป็นอาเสวณะปัจจัยก็จริงแต่อาเสวณะปัจจัยคละอารมณ์เพราะโคตรภูมีอะไรเป็นอารมณ์มีนิพพานเป็นอารมณ์นะมักก็มีนิพพานเป็นอารมณ์พลจิตทั้งสองขณะก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ ทีนี้มัคโคตรภูเนี่ยนะเป็นเป็นอาเสวนาปัจจัยแก่มัคที่พิเศษพิเศษตรงไหนตรงที่มีอารมณ์เดียวกันอริยมัคเนี่ยจึงมีกำลังในการตักกิเลสส่วนโคตรภูเนี่ยไม่ได้อาเสวนาปัจจัยจากอนุโลมที่มีอารมณ์เดียวกันคือคนละอารมณ์เพรา ะ, ะนั้นโคตรภูจึงไม่มีกำลังพอที่จะตักกิเลสได้จริงๆ พออริยมรรคเนี่ยได้ปัจจัยที่สําคัญคือโคตรภูเนี่ยนะอริยมรรคจึงทํากิจตัดกิเลสอย่างอย่างสิ้นเชิงในในขณะนั้นนี้ด้วยอ น, อนุภาพของโคตรภูที่มีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็นิพโคตรภูที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยได้เป็นอาเซวนาปัจจัยนี่สิ่งที่อยากพูดยังไม่ได้พูดเลยนะทวนมาอีกครั้งหนึ่งนะว่า สมมติถ้าเราจะเปลี่ยนจากเรื่องหนึ่งไปสู่เรื่องหนึ่งเนี่ยโดยปกติต้องลงสู่ภวังทุกครั้งก่อนใช่ไหมเช่นจากการเห็นไปได้ยินต้องผ่านภวังจากได้ยินไปรู้กลิ่นไปก็ผ่านผวังจากพิจารณานิจังจะไปเลยไปหาทุกขังก็ต้องผ่านภวังทุกเรื่องทุกวิถีเนี่ยต้องผ่านผวังหมดพิเศษตรงมัคควิถีเนี่ยนะช า, นะชาวนะจิตหรือวิถีจิตในมัคควิถีเนี่ยรู้สองเรื่องในวิถีเดียวอันนี้คือความพิเศษ อย่างเช่นริมโนทวาราวัชนะบริกรรมอุปจาระอนุโลมเนี่ยมนาสิการโดยอนิจจังหรือทุกขงังหรืออนัตตาพรโคตรภูจิตเนี่ยหลีกออกจากอารมณ์นั้นได้ในวิถีเดียวกันเครียกว่าจากในสิ่งนั้นได้ภายในทันทีเนี่ยนะจากจากอนิจจังทุกขงังอนัตตาคือจากสังขาร น, น้อมไปสู่นิพพานการหลีกออกอยังไงเรียกว่าหลีกออกจากนิมิต จากเครื่องหมายคือวัตตะออกได้หลีกได้หลีกจากวัตตะได้ในวิถีเดียวกันซึ่งถ้าไม่อบรมวิปัสนามาอย่างเพียงพอโชคชนจริงๆเนี่ยหลีกไม่ได้หรอกถ้าจะหลีกอีกครั้งหนึ่งต้องผ่านพวังถ้าผ่านพวังแล้วหลีกไม่จริงก็หลีกแค่แค่อะไรนะแค่เปลี่ยนอารมณ์เฉยๆไม่ชื่อว่าหลีกนะแค่เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนจากเรื่องหนึ่งสู่เรื่องหนึ่งเปลี่ยนจากเรื่องหนึ่งสู่เรื่องหนึ่งเปลี่ยนจาก อ, อารมณ์หนึ่งไปสู่อารมณ์หนึ่ง แต่ถ้าในโคตรภูเนี่ยเป็นการหลีกออกในวิถีเดียวกันอันนี้เป็นความพิเศษของของโคตรภูยานและก็โคตรภูที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยเป็นอาเสวนะปัจจัยแก่อรรยมักอรรยมักเกิดขึ้นก็เลยทำกิจทำหน้าที่ประหารกิเลสอย่างสมุดเฉท่าประหารตามลำดับมักหน้าไหนเมื่อกี้สามหนะึ่งห้าะมาดูข้อหมายเลยข้อแปดร้อยแปด ในการทำกิจคนละอย่างแห่งอนุโลมยานและโคตรภูยานทั้งสองนั้นอนุโลมยานสามารถบรรเทาความมืดคือกิเลสที่ปิดบงังสัจจะได้แต่ไม่อาจทําพระนิพพานให้เป็นอารมณ์ได้โคตรภูยานสามารถทํานิพพานนั่นแหลให้เป็นอารมณ์ได้แต่ไม่อาจบรรเทาความมืดที่ปิดบงังสัจจะได้เก่งคนละอย่างแล้วนั่นเถอะ ต่อไปนี้เป็นอุปมาในการทำกิจแห่งยานทั้งสองนั้นมีเรื่องเล่าว่าบุรุษผู้มีตาดีคนหนึ่งคิดว่าเราจะดูว่าเป็นวันนักขัตโยคะนักขัตรเตอรกันนะจึงออกไปในตอนกลางคืนแง้นดูดวงจันทร์ดวงจันทร์ไม่ปรากฏแก่เขาเพราะถูกเมฆปิดบังเอาไว้ลำดับนั้นลมลูกหนึ่งตั้งขึ้นก็พัดขจัดเอาเมฆอย่างห น, า, หนาไป ลมลูกที่สองอีกลูกหนึ่งนะก็พัดเอาเมฆอย่างต่างๆงไปลมอีกลูกหนึ่งคือลูกที่3ก็พัดเอาเมฆอย่างละเอียดให้ผ่านไปต่อจากนั้นบุรุษผู้นั้นก็มองเห็นดวงจันทร์บนฟ้าที่ปราศจากเมฆแล้วก็ทราบว่าเป็นวันนักขัตตโยคะคือเป็นวันนักขัตฤ ร, ริกนั่นเองในอุปมาเหล่านั้นความมืดคือกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางและอย่างละเอียดที่ปิดบังสัจจะก็เปรียบเหมือนเมฆสามอย่างสามชั้นนะนะอนุโลมจิตสามขณะ คือบริกรรมอุปจาระอนุลมก็เหมือนกับลมสามลูกโคตรภูญานก็เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีตาดีพระนิพานเปรียบเหมือนดวงจันทร์การที่อนุโลมมาจิตแต่ละขณะบรรเทาความมืดที่ปิดบงังสัจจะเปรียบเหมือนการที่ลมแต่ละลูกขจัดเมฆสามอย่างตามลําดับการที่เมื่อความมืดที่ปิดบงังสัจจะปราศจากไปโคตรภูญาณก็มีการเห็นพระนิพานอันหมดจดเปรียบเหมือนการที่เมื่อท้องฟ้า ปราศจากเมฆแล้วบุรุษนั้นก็จะเห็นดวงจันทร์ที่แจ่มแจ้งได้ฉะนั้นก็แลลมสามลูกส า, สามารถขจัดเมฆทั้งหลายที่ปิดบังสัจจะเท่านั้นไม่สามารถจะเห็นดวงจันทร์ได้เพราะก็เมฆที่ไหนเห็นดวงจันทร์ได้นะก็เห็นไม่ได้ละชั้นใดอนุลโลมายานทั้งหลายก็ไม่ก็สามารถบรรเทาความมืดที่ปิดบังสัจจะเท่านั้นไม่สามารถเห็นพระนิพพานได้ก็ฉะนั้น บุรุษผู้นั้นสามารถเห็นดวงจันทร์เท่านั้นไม่สามารถขจัดเมฆได้ฉันใดโคตรภูญานก็สามารถเห็นพระนิพพานเท่านั้นไม่สามารถบรรเทาความมืดคือกิเลสได้ฉันนั้นก็เพราะเหตุนั้นนั่นเองโคตรภูญานนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นอาวัชนะของมรรคอาวัชนะแปลว่าการคํานึงเป็นการคํานึงถึงของอริยมรรคนะจึงอยู่โคตรภูญานนั้นแม้ว่าเป็นธรรมชาติที่ไม่ใช่อาวัชนะ คือไม่ใช่ตัวนึกก็จริงแต่ก็ตั้งอยู่ในฐานะแห่งอาวัชนะราวก็ให้สัญญาแก่มรักว่าท่านจงบังเกิดอย่างนี้นะนะเป็นตัวให้เครื่องหมายนะให้เครื่องหมายให้สัญญาขึ้นพอโคตรภูเนี่ยนะทำทำสัญญาให้แก่มรักอย่างนี้แล้วก็ดับไปแม้มรักไม่ละเลยสัญญา สัญญาณนะ่ะนะที่โคตรภูนั้นให้ไว้เลยย่อมบังเกิดขึ้นติดตามญาณ น, นั้นไปด้วยอำนาจการสืบต่อไม่ขาดสายคืออนันตระปัจจัยกำจัดอยู่นั่นเทียวทำลายอยู่นั่นเทียวซึ่งกองความรูปนะนะโลภโทสะและโมหะอันไม่เคยกำจัดได้อันไม่เคยทำลายได้นะพอได้ช่องได้โอกาสก็เลยรีบทำลายราคะโทสะโมหะทันทีเลย ต่อไปนี้เป็นอุปมาในการที่มักไม่ละเลยสัญญาที่โคตรภูให้ไว้แล้วกำจัดกิเลสนั้นเสียมีเรื่องเล่าว่านายขมังธนูคนหนึ่งให้บุคคลตั้งแผ่นเป้าไว้ร้อยแผ่นณสถานที่ไกลชั่วแปดอุสภะเอาผ้าพันหน้าปิดตาเอาไว้สอดลูกสอนยืนอยู่บนแป้นยนต์บุรุษอีกผู้หนึ่งหมุนแป้นยนต์ไปใช้ท่อนไม้คอให้สัญญาณที่แป้นยนต์นั้น ในเวลาที่แผ่นเป้าหมุนปรากฏตรงหน้านายขมังธนูนายขมังธนูไม่ละเลยสัญญาณท่อนไม้เลยเที่ยวใส่ลูกศรยิงทะลุแผ่นเป้าร้อยแผ่นได้ในอุปมาณนั้นโคตรภูยานเปรียบเหมือนสัญญาณท่อนไม้มัรขยานเปรียบเหมือนนายขมังธนูการที่มัรขยานไม่ละเลยสัญญาณที่โคตรภูโคตรภูญานให้ไว้เลยเทียวทำแล้วกระทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์กำจัด ทำลายกองโลพะกองโทสะกองโมหะที่ไม่เคยกําจัดได้ที่ไม่เคยทำลายได้เปรียบเหมือนการที่นายขมังธนูไม่ละเลยสัญญาณท่อนไม้เลยนั่นเทียวยิงทะลุแผ่นเต้าร้อยแผ่นได้ฉนั้นก็มรขยานนี้คือโสดาปฏิมาคนี้จะทำการกําจัดกองโลภะเป็นต้นอย่างเดียวเท่านั้นก็หาไม่ได้แต่ว่ายังทำทะเลทาลายทะเลเนี่ยนะ คือทุกในสังสารวัตรทะเลแห่งสังสารทุกข์ในสังสารวัตรอันหาที่สุดเบื้องต้นมิได้ให้เหือดแห้งไปด้วยปิดประตูาบายทั้งปวงทำอริยทรัพย์เจให้มีอยู่ต่อหน้าละมิฉามัสมีองค์8สงบเวรภัยทั้งปวงนำเข้าไปสู่ความเป็นบุตรคือโอรสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นไปพร้อมเพื่อได้อ น, นิสงส์อย่างอื่นหลายร้อยอย่างยานที่สัมปยุทธด้วยโสดาปฏิมัค อันให้อา น, นิสงส์หลายอย่างด้วยประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าโสดาปฏิมขยานแลน่าสนใจนะโสดาปฏิมข์เนี่ยนะทําลายทะเลทุกขให้เหือดแห้งได้เอาสิแหมทะเลทะเลทะเลวัตตานี่เหือดแห้งท่านบอกว่าทุกของปุถุชนเนี่ยนะผู้ไม่เห็นอริยสัจยิ่งใหญ่เหมือนกับทะเลมหาสมุทรทุกขของพระโสดาบันเหมือนกับเหลือน้ำเจ็ดหยดเนี่ยนะ ทุกของปุตุชนทั้งหลายเหมือนกับแผ่นดินทุกของพระโสดาบันทั้งหลายเหมือนกับแผ่นดินเท่ากับเมล็ดถั่วเขียวเจ็ดเม็ดเนี่ยนะนี่เดียวเทียบกันไม่ติดเพรา ะ, ะนั้นทุกขของพระโสดาบันทั้งหลายเนี่ยจึงเหือดแห้งไปแผ่น พ, พระโสดาบันเนี่ยนะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าจักรพรรดิเสอีกเพราะพระเจ้าจักรพรรดิยังปิดอบายทุกขติวิณิบาศไม่ได้โสดาปฏิมรทำลายกำจัดอะไรกำจัดอบายทุกขติวิณิบาศได้ มันพระโสดาบันเนี่ยจึงปิดประตูแห่งอบายทั้งปวงเรียบร้อยทำให้เกิดอริยศัพ์เจ็ดประการก็คือว่าเป็นคนมีฐานะทันทีเลยใช่ไหมฐานะคือศรัทธาศีลหิริโอตปะสุตตะจา่าฆะและปัญญาเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอริยศัพ์ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นมหาเศรษฐีเลยนะมหาเศรษฐีในสังสารวัตรนะน ละมิจฉามักมีองแปดละมิจชาที่ทีมิจชาสังกับปะเป็นต้นได้อย่างเด็ดขาดนะสงบเวนไพราะสงบเวนทั้งห้าเวนเวนคือปานาติบาตอธินนาทานการเมสุมิจชาจานมุสาวาสสุราและเมรัยเป็นต้นเนี่ยนะท่านกำจัดได้สงบราบขาบหมดเกลี้ยงเลยนำเข้าไปสู่ความเป็นบุตรที่เกิดจากอกของพระพุทธเจ้านี่เป็นสาวกที่แน่นอนแล้วนะเป็นสาวกแล้ว แล้วก็ยังมีอา น, นิสงส์อีกหลายร้อยอย่างนะนี่เป็นร้อยๆยเลยนะอา น, นิสงส์อย่างอื่นอีกเปรียบพูดไม่มีจบมีสิ้นมางั้นเถอะอันนี้ก็โสดาปฏิมรักก็ผ่านไปโอ้ยโดยการเรียนน่แต่ยากอะไรการบรรลุก็ของใครก็ของใค ร, ะรนะปัจจตังเวทิตัาโพวินยูหีเนี่ยนะปัจจตังก็รู้ได้เฉพาะตนเวทิตัาโพวินยูหีวินยูชนคืออุคติตันยู ว, วิปัญจิตันยูนัยยะบุคคลก็เพึงบรรลุได้ เฉพาะตนผู้ที่เป็นพร ะ, ะผู้ที่เป็นอุคติตันยูเป็นต้นบรรลุได้คุณธรรมเหล่านี้นะแต่ก็เป็นโอปัญยิโกอริยมรรคเหล่านี้ดีประเสริฐเลิศแต่ก็เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวอันหนึ่งในลำดับแห่งยานนี้ย่อมเกิดผลผลจิตอันเป็นวิบากของโซโดาปฏิมาคจิตนั่นนั่นแหละสองหรือสามขณะจริงอยู่เพราะความที่โลกุตระกุศลทั้งหลายมีวิบากในลำดับ ที่พระองค์ตรัสว่าสมาธิมานันตริกันย ม, มาหุเนี่ยนะบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าเป็นอนันติกะสมาธิแปลว่าสมาธิที่ให้ผลไม่มีลำดับขั้นและว่ายมม่อมบรรลุอนันตริกะสมาธิเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะได้เนื่นช้าส่วนอาจารย์บางพวกบอกว่าได้ถึงสามสี่ขณะเป็นต้นเนี่ยนะที่บอกว่าหนึ่งขณะ ก, ก็ไม่เอาสี่ขณะก็ไม่เอาอย่างมากก็สองหรือ สขณะอันนี้เชื่อได้อยู่สองท่านก็คือที่ได้สองหรือสามขณะแต่หนึ่งขณะหรือสี่ขณะอันนี้ไม่ใช่เป็นความจริงว่าโคตรภูยานย่อมเกิดขึ้นในที่สุดอาเสวนาของอนุโลมายานเพราะฉะนั้นการกําหนดอย่างต่ําสุดเพิงอนุโลมจิตได้สองขณะนะจะไปหนึ่งขณะไม่ได้อย่างน้อยที่สุดต้องสองขณะจริงอยู่อนุโลมมจิตขณะเดียวย่อมไม่ได้อาเสวนปาปัจจัยและวิถีมียวัชนะเดียวกันก็มีชวนาจิตไม่เกินเจ็ดขณะ ไม่เกิน7เพราะฉะนั้นพระอริยะบุคคลใดมีอนุโลมสองขณะพระอริยะบุคคลนั้นย่อมมีโครตรภูเป็นที่สามมัคจิตเป็นที่4ี่โพลจิตเหลือสามขณะพวกนี้แหละเรียกว่าทันทาพิญญาก็ขอไปขิปปาพิญญาคือบรรลุเร็วมากพระอริยะบุคคลใดมีอนุโลมสามขณะพระอริยะบุคคลนั้นก็มีโครตรภูเป็นที่สมัคคจิตเป็นที่ห้าโพลจิตอีกสองขณะก็คือวิถีจิตไม่เกิน7จ็ดขณะใช่ไหมชาวนานะไม่เกิน7จ็ดขณะ เพราะฉะนั้นสรุปข้อความที่ถูกต้องต้องบอกว่าพลจิตเกิดไม่เกินสองหรือสามขณะเท่านั้นส่วนอาจารย์ใดที่บอกว่าอนุโลอริยบุคคลมีอนุโลมสี่ขณะพระอริยบุคคลมีโคตรภูเป็นที่ห้ามรคจิตเป็นที่หกพลจิตมีขณะเดียวคำนั้นบัณดิตไม่ควรเชื่อโดยเป็นสาระเนี่ยนะไม่ต้องเชื่อหรอกเพราะอะไรเพราะเหตุที่ท่านปฏิเสธไว้แล้วว่า ชาวนาจิตขณะที่สี่หรือขณะที่ห้าย่อมถึงอัปปนาไม่เกินเลยไปกว่านั้นเพราะใกล้ผวังวิธีจิตชาวนะจิตดวงใดใกล้ผวังชาวนาจิตนั้นไม่เรียกว่าเป็นอัปปนาก็ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระโยคาวจรผู้นี้ย่อมเป็นพระอริยบุคคลที่สองเรียกว่าเป็นพระโสดาบันขณะโสดาปฏิมักเรียกว่าพระอริยบุคคลที่หนึ่งโสดาปฏิผลเป็นพระอริยะบุคคลที่สองได้ได้คู่หนึ่งแล้วนะคได้คู่ที่หนึ่งละ แม้ว่ายังเป็นผู้ประมาทอยู่ก็เล่นไปท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสิ้นเจ็ดวาระแล้วก็เป็นผู้ที่สามารถกระทำที่สุดแห่งทุกได้ส่วนในเวลาที่ผลสิ้นสุดลงจิตของท่านก็ยังลงสู่ภวังต่อจากนั้นมโนทวาราวัชนะจิตเกิดขึ้นเข้าไปตัดภวังเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณามรตเมื่อมโนทวาราวชนะนั้นดับไป ชาวนะที่พิจารณามรรคเขณะย่อมเกิดขึ้นตามลําดับแฉจิตทั้งหลายมีอวัชนะเป็นต้นอย่างลงสู่ภวังแล้วก็เกิดขึ้นเพื่อพิจารณาผลเป็นต้นโดยนยะอีก น, น, นั่นแหละซึ่งเป็นบรรดาจิตที่เกิดขึ้นอันเป็นเหตุให้โสดาบันท่านนี้พิจารณามรรควิธีที่หนึ่งนะพิจารณามรรควิธีที่สองพิจารณาผลวิธีที่สามก็พิจารณากิเลสที่ละแล้ววิธีที่สี่ก็พิจารณากิเลสที่ยังเหลือ วิธีสุดท้ายก็พิจารณาพระ น, นิพพานท่านพระโสดาบันนั้นจึงมีปัจจเวกวิธีห้าห้าหนึ่งพิจารณามร์สองพิจารณาผลสามพิจารณากิเลสที่ละแลว้วสี่พิจารณากิเลสที่เหลือห้าพิจารณาพระนิพพานด้วยว่าพระโสดาบันนั้นย่อมพิจารณามร์ว่าเรามาโดยมร์นี้หนอที่บรรลุเป็นพระอรยะมาด้วยอริยมร์เหล่านี้แนละต่อจากนั้นพิจารณาผลว่านี้เป็นอนิสงส์ที่เราได้แลว้ว ต่อจากนั้นก็พิจารณากิเลสที่ละได้แล้วว่าขึ้นชื่อว่ากิเลสเหล่านี้เราละได้แล้วต่อจากนั้นก็พิจารณากิเลสที่มรรคสาที่เหลือเบื้องบนจะต้องฆ่าอีกว่าขึ้นชื่อว่ากิเลสเหล่านี้ยังคงเหลืออยู่แก่เราและในที่สุดย่อมพิจารณาอมตะนิพานว่าธรรมนี้เราได้แทงตลอดแล้วโดยกระทําให้เป็นอารมณ์สําหรับพระรยาสาวกชั้นโสดาบัน ย่อมมีการปัจเจกห้าพิจารณาหอย่างตามประการดังกล่าวมานี้สำหรับพระโสดาบันฉันใดคือพระโสดาบันมีปัจเจกขณะยานหชั้ันใดพระสกท า, าคามีก็มีห้าฉันนั้นพระอนาคามีก็มีห้าส่วนผ้าหันมีสีเพราะอะไรเพราะชื่อว่าการพิจารณากิเลส ท, ที่ยังเหลืออยู่ไม่มีชนิดแลมันก็เลยเรียกว่าปัจเจกขณะยาน 19- 19 ก็ปัจเวกขณะยานทั้งหมดมีสิบเก้าด้วยประการชนนี้แหลคือพระโสดาบันมีปัจเวกขณะยามห้าพระสกท า, าคามีห้าพระนาคามีห้าพาหันเหลือสี่เพราะไม่มีการพิจารณากิเลส ท, ที่เหลืออันนี้เป็นการพูดแบบสูงสุดนะพูดแบบสูงสุดแต่ไม่ได้แปลว่าพระอริยทุกรูปทุกท่านจะต้องมีปัจเวคขณะยานครบครบทั้งหมดนี้ไม่ใช่ ด้วยว่าพระ arya าสาวกทั้งหลายแม้ที่เป็นเสขะจะมีการพิจารณากิเลส ท, ที่ละแล้วและที่เหลืออยู่ก็ได้ไม่มีก็ได้บางท่านไม่ได้พิจารณากิเลส ท, ที่ละไปแล้วว่าตัวเองละอะไรได้บ้างและยังเหลือกิเลสอะไรอยู่บางทีไม่ได้พิจารณาก็มีเพราะไม่มีการพิจารณานั่นแหละทําให้พระเจ้ามาหานามะเข้าใจผิดนนะคือคือรู้ผิดแต่ไม่ใช่มิจฉาทิฐินะคือเข้าใจผิดว่าที่บอกว่า คือได้ได้ถามพระพุทธเจ้าว่าชื่อว่าทําอะไรหนอที่ข้าพเจ้ายัางละไม่ได้อยู่ในภายในที่เป็นเหตุให้บางคราวแม้โลกธรรมครอบงํำโลภะธรรมเนี่ยนะครอบงํำจิตของข้าพระองคตั้งอยู่แก้หน่อยนะไม่ใช่โลกธรรมนะโลภะธรรมโลภะธรรมความโลภเป็นต้นเนี่ยนะได้เกิดขึ้นในจิตอันนั้นไมบางคราวเนี่ยเกิดความโลภบางคราวเกิดความหลงเป็นต้นเนี่ยนะ คือพระเจ้ามหานามะตอนนั้นท่านเป็นพระสกท า, าคามีนะท่านก็นึกว่าท่านหมดกิเลสแล้วนะพอไปได้ปัจจัยท่านก็โลภได้ปัจจัยท่านก็โกรธเป็นต้นนั้นท่านบอกทาไมทําไมก็เพราะพระเจ้ามหานามะไม่มีการปัจเจกกิเลส ท, ที่ยังเหลือคือวิเ อ, อปัจเจกขณะญาณเนี่ยนะไม่ใช่มีครบทุกท่านแต่นี้พูดถึงสําหรับผู้ที่มีปริยัตเป็นต้นเนี่ยเขาจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ปัจเจกตามไป นี่มาขึ้นโซดาปฏิมาคเลยเนาะก็แลพระอริยาสาวกผู้เป็นพระโซดาบันนั้นคั้นพิจารณาอย่างนี้แล้วนั่งบนอาสนะนั่นแหละหรือในสมัยอื่นย่อมกระทำความพยายามเพื่ออันบรรลุภูมิที่สองเพื่อความเบาบางไปแห่งการมาราคะและพยาบาทท่านประมวลอินทรพละโพชฌงทั้งหลายได้แล้วก็ย่อมยีสังขารอันมีประเภทว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั่นแหละด้วยญาณว่า ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาทบทวนไปอย่างลงสู่วิปัสนาวิถีเมื่อท่านปฏิบัติอย่างนี้เมื่ออนุโลมยานและโคตรภูยานเกิดแล้วในที่สุดแห่งสังขารุเปกขายานด้วยอาวัชนะเดียวกันตามนัยยะที่กล่าวแล้วในไรในโสดาปฏิมาะนะคล้ายกันสกะทาคามิมักย่อมเกิดขึ้นในลำดับแห่งโคตรภูยานที่สัมปยุตกับสกะทาคามมักนั่นแหละชื่อว่าสกะทาคามิมักยาน บรรลุครั้งที่สองไปอย่างง่ายดายโอ้สบายมากใช้เวลาไม่ถึงสามนาทีจบแล้วในลำดับแห่งยานที่สองเมนี้เพิ่ทราบผลจิต ต, ตามนัยยะที่กล่าวแล้วนั่นเทียวนะก็ตามสูตรก็ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระโยคาวจรผู้นี้จัดเป็นพระอริยบุคคลที่สี่คือได้เป็นคู่ที่สองแล้วใช่ไหมคือคู่แห่งโซดานี้ก็คู่แห่งสกะทาก็เป็นพระอรารยระดับที่สี่แล้วเรียกว่า พระสกทาคามีมาสู่โลกนี้คราวเดียวเท่านั้นก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกได้มาอยู่ในท้องแค่ครั้งเดียวผัดจากนั้นไปก็ที่เหลือก็ปัจเจกขณะยาณอีกห้าก็พระอริยาสาวกผู้เป็นพระสกทาคามีนั้นครั้นพิจารณาอย่างนี้แล้วนั่งบนอาสนะ น, นั่นแหละในสมัยอื่นอันนคืออาจจะขณะนั้นต่อไปเลยก็ได้หรือวันหลังก็ได้ ย่อมกระทําการพิจารณาเพื่อบรรลุภูมิที่สภูมิที่สก็ละกามราคะและพยาบาทไม่มีเหลือท่านประมวลอินทรีย์พละโพชงให้ประชุมกันย่ำยีสังขารคือขันห้านั่นแหละด้วยยานว่าไม่เที่ยงเป็นทุก์เป็นอนัตตาทบทวนไปอย่างลงสู่วิปัสนาวิถีเมื่อท่านปฏิบัติอย่างนี้เมื่ออนุโลมายานและโคตรภูยานเกิดขึ้นแล้วในที่สุดแห่งสังขารุเปกหายานด้วยอาวัชนะเดียวกันตามนัยะที่กล่าวแล้ว อนาคามีมัคก็เกิดขึ้นในลำดับโคตรภูยานที่สัมปยุตกับอนาคามีมัคก็ชื่อว่าอนาคามีมัคขยานในลำดับยานที่3แม้นี้ก็ทราบผลจิตตามนัยยะที่กล่าวแล้วก็ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระโยคาวจรนี้เป็นพระญาติบุคคลคู่ที่3ระดับที่หกคู่ที่3ระดับที่6ใช่ไหมคู่ที่3คือคู่แห่งพระอนาคามีแบ่งเป็นอนาคามีมัคกับอนาคามีผลได้คู่ที่3ามระดับที่6 ไม่ใช่สี่หกนะคนละอย่างกันเป็นพระอรยะ์ระดับที่หแล้วชื่อว่าพระอนาคามีเป็นโอปปาติกะถ้าไม่บรรลุเป็นพระทหารนในชาตินั้นก็โนนปริณิพานในภพนั้นคือในสุดทาวาตมีอันไม่เวียนกลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาคือไม่มาสู่โลกนี้ด้วยอํานาจปฏิสนธิอาจจะเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาฟังธรรมเป็นต้นมาสอนคนอื่นได้แต่ว่าไม่มาเกิดแน่นอนต่อจากนั้นปัจเจกขณะยานก็เกิดขึ้นตามระยะที่กล่าวแล้ว พระอริยาสาวกผู้เป็นพระอนาคามีนั้นครั้นพิจารณาอย่างนี้แล้วนั่งบนอาสนะนั้นนั่นแหละหรือในสมัยอื่นย่อมกระทําความพยายามเพื่อบรรลุภูมิที่สี่เพื่อละรูปปราคาอรู ป, ปราคามานะอุทาจจะและอวิชชาเรียกว่าสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยนะท่านก็เลยประมวลอินทรพละโพธชงองค์มรุ ก, ก็ย่ำยีสังขาร น, นั่นแหละย่ำยีขันห้าด้วยยานว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทบทวนไปทบทวนไป ยังลงสู่วิปัสนาวิถีเมื่อท่านปฏิบัติอย่างนี้อนุโลมมายานและโคตรภูยานเกิดขึ้นแล้วในที่สุดแห่งสังขารุเปขาญาณด้วยอาวัชนะเดียวกันโดยนิยะที่กล่าวแล้วนั่นเทียวอรหัตตมัคคายานก็เกิดขึ้นในลําดับแห่งโคตรภูยานอันสัมปยุทธ์กับอรหัตตมักนั้นชื่อว่าอรหัตตมัคคายา น, นในลําดับแห่งญาณที่สี่คืออรหัตตมัคคายานที่สี่แม่นี้เพิงทราบผลจิต ต, ตามนิยะที่กล่าวแล้ว ก็ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระโยคาวจรนี้เป็นพระอริยบุคคลที่แปดคือสูงที่สุดเนี่ยนะสุดยอดและชื่อว่าเป็นพระอราหันต์เป็นพระมหาขีณาศพผู้ทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดที่เราสวดกันใช่ไหมเป็นนรกมีสรีร ะ, ะเป็นมนุษย์มีพระสรีระเป็นที่สุดเป็นนรกไม่มีผู้เปรียบได้เป็นต้นที่เราสรนเริญ น, นั่นแหละนะก็ ส่งไว้ซึ่งร่างกายอันที่สุดปรงภาระคือขันธ์ห้าได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนคืออรหัตผลได้ตามลำดับแล้วสิ้นสังโยชน์ทั้งสิบในภพแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบรู้ว่านี้ควรรู้ยิ่งนี้ควรกําหนดรู้นี้ควรละนี้ควรทำให้แจ้งนี้ควรเจริญเป็นอัคระทักินยบุคคลเรียกว่าเป็นสุดยอดของนาบุญพร้อมทั้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวลโลกเนี่ยนะก็ เรียบร้อยเป็นพระอริยะเจ้าด้วยประการชนี้คําที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่ายานในมัคสีเหล่านี้คือโสดาปฏิมัคสกธาคามีมัคอนาคามีมัคอรหัตมัคชื่อว่าญาณทัศน์วิสุทธิดังนี้คํานั้นข้าพเจ้ากล่าวหมายเอายานสี่เหล่านี้ที่พึงบรรลุตามลําดับดังนี้โอตรงเวลาเกือบเป๊ะเลยนะ่าจบจริงๆห้ามงเย็น ส่วนที่เหลือก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับธรรมะทั้งหลายที่มีปกกินกะธรรมเนี่ยนะปกกินกะธรรมที่การยกเอามาสรุปเอามาทบทวนแต่ว่าส่วนในลำดับแห่งการปฏิบัติก็เป็นไปดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวิสุทธิที่7ข้อปฏิบัติที่ทําให้ถึงความสิ้นทุกข์ก็ไล่ไปตั้งแต่ไหนทวนอีกครั้งหนึ่งนะปฏิปทาที่จะทําให้ถึงพระนิพพานที่เป็นสุดยอดของความบริสุทธิ์ก็คือ 1. ศีลวิสุทธิ2จิตตวิสุทธิ3 ที่ถีวิสุธิสกังขาวิตรณวิสุทธิห้ามะขามะคะยาณทัศ น, นวิสุทธิหปฏิปทายานทัศนวิสุทธิสุดท้ายอริยมรรคทั้งหลายชื่อว่าญาณทัศ น, นวิสุทธีนั้นผู้ที่ปฏิบัติตามวิสุทธิีทั้งเจบริสุทธิ์ได้ก็ถือว่าเป็นพระอริยบุคคลเป็นโอรสที่เกิดแต่ธรรม เป็นผู้ที่ตรัสรู้ทำตามพระพุทธเจ้าผู้นั้นก็เรียกว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ไม่ตกต่ำอีกแล้วเป็นพระอริยะบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกในสมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักเนี่ยนะมีผู้บรรลุอย่างนี้เนี่ยนะสิโกดเนี่ยนะสิโกดเวน้นแต่เราตกสารวจยังไงไม่ทราบหลังจากนั้นก็แสดงสูตรอื่นๆ อ, อ, อีกที่เมืองพาราณสีก็บรรลุมากมายแสดงอาธิตปเรยยสูตรก็บรรลุเป็นพัน แสดงมง